เริ่มด้วยเล่มที่2ี่สิบจนถึงเล่มที่24ในการนี้เล่มที่ยี่สิบว่าด้วยหลักธรรมจํานวนหนึ่งสองสามจึงใช้คำบาลีว่าเอกะทุกะติกะนิบาตเล่มที่ยี่สิบอ็ดว่าด้วยหลักธรรมจํานวนสี่จึงใช้คำบาลีว่าจตุกกานิบาตเล่มที่ยี่สิบสองว่าด้วยจํานวนห้าถึงห จึงใช้คำบาลีว่าปัญจกะฉักกะนิบาตเล่มที่23ว่าด้วยหลักธรรมจำนวน7 8็จึงใช้คำบาลีว่าสัตตกะอัทตกะนวกะนิบาตเล่มที่24ว่าด้วยหลักธรรมจำนวนสิบสอดจึงใช้คำบาลีว่าทศกะเอกาทศกะนิบาต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 ดังต่อไปนี้หนึ่งทีฆะนิกายหมวดพระสูตรขนาดยาวเล่มเก้าถึงสิบเอ็ดรวมสามเล่มมีสามสิบสี่สูตรสองมัชิมานิกายหมวดพระสูตรขนาดกลางเล่มสิบสองถึงสิบสี่รวมสามเล่มมีหนึ่งร้อยห้าสิบสองสูตรสสังยุตตนิกาย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 เล่มาถึง33รวม9ก้าเล่มไม่ได้แสดงจำนวนสูตรไว้แต่มีคำกล่าวว่าสูตรที่เหลือจากส่นิกายข้างตน้นก็นับเข้าในขุตกะนิกายทั้งสิน้นเมื่อเทียบดูจำนวนสูตรในพระสุต์ตันตปิฎกทั้งห้านิกายก็จะเห็นได้ว่ามาถึงนิกายหลังๆตั้งแต่นิกายที่สา ม, มาคือสังยุตตนิกายมาเรืองเบเิดตะเล หรือเรื่องย่อยๆมีมากขึ้นจนไม่สามารถจะย่อดได้ทุกสูตรดังแตก่ก่อนจึงต้องย่ออย่างจับสาระสำคัญเป็นหมวดใหญ่ๆไว้เฉพาะในเล่ม2ี่สบคืออังคุตระนิกายที่ว่าด้วยหลักธรรมเป็นจำนวนหนึ่งสองสานี้ท่านผู้อ่านย่อมเห็นได้ชัดว่าควรจะได้แบ่งส่วนสำคัญออกเป็นสมส่วนตามจำนวนเลขนั้น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 หาสิบสูตรเป็นหนึ่งปัรนาสกะซึ่งในการย่อต่อไปจะไม่กล่าวถึงวัตและปัรนาสกะจะกล่าวแต่เนื้อหาธรรมะในหมวดนั้นๆทุกกะนิบาทชุมนุมธรรมะที่มีสองข้อในหมวดนี้แบ่งส่วนใหญ่ออกเป็นสี่ส่วนแต่ไม่กล่าวถึงเนื้อธรรมะหากกล่าวถึงหมวดห้าสิบที่หนึ่งที่สองที่สมและหมวดพิเศษ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 ในหมวดนี้แบ่งส่วนใหญ่ออกเป็นสี่ส่วนเช่นเดียวกับทุกกานิบาทคงแปลกออกไปแต่ชื่อวักเท่านั้นต่อไปนี้จะเป็นการย่ออย่างขยายความ